มนเสียงเพลงช่วยมันเลงต่งชีวี ไม่มีวันร้องไห้ร้องไห้ที่ทุกใจคือที่นีที่นี่เราะเธอคนดีฉันมีรักมั่นอย่าลืมวันสวัสดีสวัสดมบนเตียง เ, เลงช่วยบันเลงกลองชีวตดังเหมือนมีญาติดังที่ลองใจ บันเล รักหล่อหลอมใจให้เหมือนทาที่พักดีเธอไม่รู้รักท่วมใจหลนปรีปาฏวิมากจิ้นคลีถ้าได้มีเธออย่าทำใจดำอย่าทำให้ฉันเก้อรักหล่อหลอม เพลงเพลช่วยบรรเลงทำชีวิตดังเหมือนมียาดำทิพย์ฉลองใจไม่คิดเรื่องไรไรเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอพวงหาทุกเวลาทุกนาทีฮ่าฮ่มนต์เพลงเพลช่วยบรรเลงทำชีวิต รักเกิดจากสายใจเกินสายใหญ่สายโซ่ต่อให้แรงองโคก็ชุดไม่ได้อย่าให้จัคอยต้งน้อยเงาจริงรักเอาชีวิตวานคิดสงสารใจรั ก, กจากสายใจเกินสายใหญ่สายโซ่ Uh huh. มนเดียงเล่ช่วยบรรเลงต้นชีวีวดังเหมือนมีหยาดดังทิพย์ชนโอมใจ